ที่177รับพินเร่งฝีเท้ารุดหน้าไปโดยไม่ยอมล่าช้าเสียเวลาใดๆอีกทั้งสิน้นทำให้สองพี่น้องราชสกุลออกวิ่งกลัาตามหลังมาเพื่อไ้ทันทั้งสามายหน้ากลับยังเนินจันอันเป็นที่แพ็กเป็นเป้าหมายแรกซึ่งความจริงก็ไม่ห่างออกไปเท่าใดนะักระหว่างที่กำลังร้อนใจเป็นไฟเผารีบดวนกันอยู่นั้นก็ยังแว่วูเสียงไรเฟิลดังเป็นจังหวะไปต่อกันไปอีกสองนัด สถานไปทุกยอดขุนเขาสลับไปกระเสียงลูกซอมที่ดังแทรกประสานขึ้นอีกไม่มีปัญหานั่นเป็นการยิงชุดที่สองของบราวนิ่งออโต้กระบอกนั้นซึ่งขณะนี้อยู่ในมือของชัยยันเจ้าของเสียงไรเฟลนจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเมียแมมผู้ ก, กำลังตั้งอันอ่อนๆของเขาด้วยความประหนกตกใจในเหตุการณ์สามคนไม่ได้พูกอะไรกันอีกจากสภาพที่กาลังเดิน กลายเป็นวิ่งสุดฝีเท้ายังลืมความเหน็ดเหนื่อยก่อนจะถึงเนินจันทร์ซึ่งทอดเป็นโคกสูงขวางหน้าห่างไม่เกินสองเมตรทั้งระพินเชททิฐาและดารินซึ่งวิ่งเป็นขบวนกันมาอยู่ในขณะ น, นี้ก็มองเห็นจุดสองจุดทางด้านทิศใต้กําลังเคลื่อนอย่างรวดเร็วตรงมายังเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วทั้งสองร่างวิ่งตัดมาบนพื้นหญ้าสีเขียวเล่เห็นได้อย่างถ น, นัดเป็นการจูงมือกันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต กำลังจะถึงบริเวณแผ่นดินโคกสูงอันเป็นที่พักก่อนฝ่ายนี้สะอีกเชิถาหยุดชะงักควักกล้องซองแล้วร้องว่าเม่ชยัน้องแง่ทายล่ะคะดารินถามกระหืดกระหอบพี่ชายสันนะ่นหน้าไม่เห็นแงน่ทายเห็นแค่สองคนเท่านั้นก็เลยขึ้นนี่เร็วรีบไปกันเถอะแล้วเชิถาก็กระชากไล่น้องสาวให้วิ่งต่อในขณะที่พรานใหญ่ลิ้วไปก่อนแล้ว โดยไม่ยอมหยุดชะงักกว่าทั้งสามจะมาถึงก็ปรากฏว่าทั้งชายยันเลมาเรียที่พากันวิ่งกระเจิงหัวสุกหัวสุนมาก็ขึ้นไปบนเนินก่อนแล้วหันกลับมาเห็นอีกฝ่ายสามคนกาลังเล่นสุดฝีเท้าเข้ามาสมทบเช่นกันเมื่อรับพินเชิฐาและดาลินวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาถึงก็เห็นทั้งสองทิ้งกายลงนั่งอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่กับพื้นอาปากขอบไม่อาจพูดอะไรได้ชั่วขณะ โดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดทันทีที่เข้ามาถึงก็คือชั ย, ยันมีรอยเลือดซิบๆขากางเกงขาดกระรุงกระริ่ ง, รรงส่วนมาเรียมีแต่รอยล้มลุกคลุกคลานถลอกปอกเปิดกสีเขียวของใบหญ้าติดตามหน้าตาเนื้อตัวมุมแมนไปหมดมะมะมะหมาหมาหมาห ม, ม, ม, ม, มานรกชั ย, ยันร้องบอกแทบไม่เป็นภาษาเพราะความเหนื่อยจนแทบขาดใจในขณะที่ดารินก็เชิดขาปลาเข้าจับตัวประคองไว แล้วชิงกันถางแท้ไม่ได้สับตะตะตะตะลักตูยังกะลูกมายี่สิบกว่าตัวเห็นจะได้โผล่มาจากบ้านไหนก็ไม่รู้สิเผลอที่ฉันกับเมยนั่งพักอยู่ใต้เชิงเขาโน่นมันมันทุ่งเราใส่ทันทีอ่ะเราอาจจะเห็นเราเป็นกระต่ายงั้นเละนี่ทำไมได้ลูกซองที่รับพินให้มากับบอกนี้นะฉันกับเมย์คงเหลือแต่กระดูกไปแล้วล่ะขนาดนั้นมันยังพยายามจะตามมาอีกนะโชคดีนะที่ม่าลูกปลายช่วยเราได้ทําให้มันชะนักลง นั่นคือข้อความที่พอจะสรุปได้จากคำบอกเล่าชนิดและล่ำาละลักลิ้นพันกันของชัยยันและเห็นชัดว่าทั้งสองสามีพัญญาหน้าซีดเป็นกระดาษเพราะความเหนื่อยและความตกใจระคนกันนี่แกกะเมย์เป็นยังไงบ้างอะเนี่ยเชษดาเขย่าตัวถามเกือบจะเป็นตะโกนจ ะ, จะถูกมันขย้ำมาบ้างเหมือนกันตามแขนขาแต่ก็ไม่มากนะักส่วนเมย์เขาไม่เป็นไรอะ ราช่วกันยิงสกัดไว้ในระยะเผาขนตอนที่มันบุกเข้าฟัดน่ะตายแล้วเจ็แตตัวเห็นจะได้อ่ะที่เหลือเลยแตกกระจายไปแต่เราได้ยินเสียงมันเห่าหอนอยู่เป็นฝูงน่ะใต้เนินอีกด้านลงไปมองไม่เห็นตัวรู้สึกจะแห่กันมาอีกก็เลยเพ่นมาเนี่ยเพราะถ้าพวกนั้นมันมากันมากๆมันยิงไม่ทันแน่อะไรวะเกิดมาไม่เคยเห็นมหาเหวเลยพันนี้ก็ไม่รู้สิใหญ่ขนาดเกรดเด่นน่ะ แต่รูปร่างเหมือนอันเซเชียนแต่ละตัวผมสี่โครงบานก้าทานหิวจักทั้งนั้นมันแตกกระจายออกไปเพราะลูกปลายจากลูกซองจะแทะไร่ฟันยิงมันไม่ทันเก็บได้ทีละตัวทีละตัวเท่านั้นสู้ลูกซองไม่ได้ดิ่นเป็นนัดละสองสามตัวกระสุนห้านัดในแมกกาซีนแต่ละชุดยิงยิงมันไม่เคยจะทันถึงขนาดต้องประจันบานกับมันโดานท้ายปืนล้มลุกคลุกคลานเกือบตายไปทีเดียว แล้วเมียเรียบร้อยดีหรือเปล่าด้ารินหันไปตะครุบตัวแม่เพื่อนสาวต่างผิวผูกกำลังหอบตัวโยนพูดอะไรยังไม่ได้ในขณะ น, นี้ฉันฉันไม่เป็นไรหรอกน้อยดูชฉยนเถอะฉันเห็นเขาถูกมันฟัดลงไปล้มกลิ้งอยู่หลายครั้งตอนที่มันบุกเข้ามาประชิด ต, ตัวพระโมแต่ช่วยยิงสกัดให้ฉันอยู่ตอนที่มันรุมล้อมฉันโชคดีนะที่ฝูงนี้ไม่มากนะักถ้ามากกว่านี้ เราไม่มีทางส ก, กัดมันทันก่อนที่จะเหลือแต่กระดูกหมอดารินตื่นรนกรกอกสั่นไปหมดหันกลับไปสำรวจดูบาดแผลตามเนื้อตัวของชยันก็พบว่าถูกขบขย่ำไปเกือบทั้งตัวแม้แต่บริเวณหน้าตาแต่โชคดีที่ไม่มีรอยแผลใดลึกฤรืชกันนักนอกจากถักถกไปเท่านั้นจากการเกงขา ย, ยาวและเสื้อล่าสัตว์ชนิดหนาของเขาที่ช่วยป้องกันไว้ได้แต่ถึงเชนนั้นก็ยังขาดกระจุย ระพินไรวันยืนเหมือนตะลึงไปชั่วขณะต่อมาก็กวาดสายตาไปรอบๆเลวเลวเงยสายล่ครับ เ, รเงซสายหายไปไหนกุญชยันมันแยกขึ้นไปบนเขาด้านใต้เขาลูกที่เราเดินลงมาเมื่อวานนี่แหละบอกว่าจะขึ้นไปสำรวจบนนั้นให้ผมกับเมยรออยู่ตีนเขาก่อนนักกันไว้แล้วว่าไม่เกินชั่วโมงมันจะกลับลงมา เ, เงยายหายไปสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ระหว่างที่ผมกับเมยนั่งพักรอยอยู่ตามคาสั่งของมัน ไอหมาไวร้ายฝูงนั้นก็พุ่งเข้ามาล้อมทันทีไม่มีการเห่าหอนหรือมีเสียงเคลื่อนไหวผิดปกติใดๆเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าเลยจนนิดเดียวพรวดเดียวก็แยกเขี้ยวเขาสลอนไปหมดละเหมือนหมาผี้นแหละคุณผมก็เมเลยต้องเพนกลับมาก่อนขืนรอใช้มันจับฝูงกันได้อีกคราวนี้เสร็จแน่ระหว่างที่ดารินกับเชิฐากาลังสาละวนอยู่กับการช่วยตรวจดูบาดแผลของช ย, ยันและเม จอมพลพยายามใช้สายตาสำรวจไปรอบทิศเท่าที่สายตาจะส่งไปถึงขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ11นาฬิกาเท่านั้นหรืออีกชั่วโมงเต็มสำหรับกำหนดนับที่ทุกฝ่ายจะต้องกลับมาพร้อมกันอย่างที่พักอาศัยฝ่ายของเขาซึ่งประกอบด้วยเชษฐาและดารินไม่ได้เดินห่างจากเนินจันออกไปเท่าไรนักเนื่องมาจากตรวจค้นตามพื้นไปอย่างละเอียดทีท่วนจึงทาให้สามารถได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายชัยยัน และย้อนกลับผสมทบ ก, กันได้ทันการรถฉยันกัเมก็ไปไม่ไกลจากหยุดฉุนกลางเช่นกันขณะที่คนอื่นๆที่แยกย้ายกันไปอีกสองด้านนั้นยังไม่อาจเดาถูกว่าขณะนี้ไปได้ไกลแค่ไหนไม่อาจมองเห็นได้เพราะภูมิประเทศนั้นเป็นลอนสูงๆต่ตําๆอยู่ทั่วไปสําหรับแง่ายไม่มีอะไรจะต้องห่วงคนๆนั้นย่อมเท่าทันต่อเหตุการณ์และสามารถรักษาตัวรอดปลอดภัยได้เสมอ แต่จะยังไงก็ตามมันก็ไม่ไวายจะแสดงบุคลิกอันลึกลับประจำตัวอยู่ตามเดิมเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดมันจึงแยกเดินขึ้นเขาไปตามลำพังโดยปล่อยทิ้งให้ชายันกามาเรียพระเชิญกับเหตุร้ายเพียงสองคนแ้ะบตด น, นี้ก็มองไม่เห็นวีแววของแง่ทรายเลยมันไปไหนเพื่ออะไรหันมองกลับไปทางด้านเหนือ อันเป็นตำแหน่งที่มองเห็นฝูงกวางหิมะนับพันแต่ตื่นอะไรสักอย่างวิ่งเข้าขาบวนกันมาชนิดมืดฟ้ามัวดินโดยตัดลงจากซอกเขาทางด้านขวาผ่านลงไปในหุบซีกตรงข้าบัดนี้สงบเงียบไปแล้วแสดงว่ามันคงจะวิ่งผ่านรับไปสิ้นเร็วขบวนฝูงมหคือมาของมันทิ้งแต่ฝุ่นทุลีให้ลอยคลุ้งอยู่เหนือม่านหมอกทั้งชยันและมาเรียคงจะไม่ทันสำเหนียก ถึงสาเหตุผิดวิกล น, นี้ได้ด้วยอยู่กันคนละทีส่วนด้านอื่นๆทั่วไปขณะนี้ก็ดูจะปราศจากวี่แววกระตุกกระตากอะไรทั้งสิ้นเชษฐาดารินบอกเหตุการณ์ทางด้านของตนให้สองสามีพัญญาทราบเกี่ยวกับการที่ได้เห็นกวางหิมะนับพันวิง่งอย่างตื่นตระหนกผ่านหน้าไปเป็นกองทัพตรงบริเวณอันเป็นสวนลำคอของภาพนางนอนอมช ย, ยันและมาเรียยิ่งตกใจเพิ่มขึ้น แล้วรู้ไหมว่ามันแตกตื่นอะไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามเร็วปรือเรามองไม่เห็นนะว่ามันตื่นตกใจอะไรถึงได้วิ่งกระเจิงกันตั้งทันพันตัวอย่างนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยชวนกันถอยกลับออกเดินมาไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านแกนี่แหละไม่ไม่ทันจะสิ้นเสียงพูดของเชษฐาทั้งห้าคนที่ชุมนุมสมทบกันอยู่ในขณะ น, นี้ก็ผวาสะดุ้งขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงปืนดังเป็นประทัดแตก ทางด้านตะวันตกซึ่งมีเนินสูงลูกหนึ่งบังอยู่ไม่ไกลนะักเป็นด้านของจันขยินและเสยเฮ้ยใครเจอเขาบ้างแลง้วก็มองชชยันร้องลัน่นกระโดดขึ้นยืนทางตัวมาเรียผู้กำลังนั่งกอดเข่าอ้าปากหายใจอยู่ในขณะนี้ก็เพ่นพึงขึ้นพร้อมไรเฟิลติดมือขึ้นมาด้วยดารินกะเชิดถาทหลันเข้าไปที่พรานใหญ่เสียงปืนขนาดต่างๆรวมทั้งลูกซองจากเรมิงตันแบบปังของกยิน ยังคงแท้ประสานกันติดต่อไปชนิดนัดนัดไม่ถูกและจำแนกไม่ได้เราก็เกิดสงครามแทกแววมาในท่ามกลางเสียงปืนอันอื้ออิง น, นั้นเป็นเสียงร้อโวกเวกโวยวายฟังไม่ได้สับเป็นสำเนียงที่บอกถึงความโกรธมานระนกตกใจพวกของจันทร์อยู่หลังนอนี่เองครับระพินบอกด้วยเสียงสำลักแล้วเพนก็มากระชากลูกซองห้านัดจากมือของชา ย, ยันไปพร้อมกับเข็มขัดกระสุน ยัดเย็ดไรฟินประจำมือแหว่แทนออกวิ่งแนตัดเนินมุ่งไปทางด้านตะวันตกทันทีตามวิปินไปด้วยสิเร็วเชษฐาตะโกนบงการพร้อมกันตนเองก็ไม่รอช้าออกกวดไล่หลังจอมพรานไปในพริบตานั้นชยันดารินและมาเรียยืนตะลึงอยู่ชั่วเสีย ว, วินาทีก็ได้สติทั้งหมดจึงพากันวิ่งตามไปด้วย ทั้งหคนวิ่งแข่งกับเวลาลงมาถึงปลายเนินจันด้านตะวันตกกอดีกันที่อีกสาคนนั้นเป็นเจ้าของเสียงปืนโผล่ขึ้นมายเห็นจากส่วนบนของเนินลูกที่ขวางหน้าอยู่วิ่งเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังกันมาในสภาพแตกกระเจิงพร้อมกับตะโกนร้องบอกอะไรกันฟังไม่ได้สัตว์ปือในมือหันกลับไประเบิดระสุนสนั่นวันไหวทางเบื้องหลังซึ่งยังมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรแล้วก็เล่นทลายตามกันเป็นทวนลงมาจากทางลาด ซึ่งฝ่ายของระพินกำลังเล่นสวนขึ้นไปใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเซย์เส ย, ย์ละหกคาเมลล้มกลิ่งไปลูกขนุนลงมาตามไหล่ล่าชันอย่างน่ากลัวปืนเกรนหลุดมือไปทางหนึ่งทปบางสายตาอันเบิกโพรงของฝ่ายระพินที่มองเห็นเหตุการณ์อยู่ทุกระยะ่านใหญ่หยุดชนะกกึกลงกับที่ตรงบริเวณสวนล่าตีเนินทั้งสองที่ทอดมาบรรจบกันนั่นเอง ยกปืนขึ้นประทับไหลเตรียมพร้อมมันเท่ากับเป็นการเตืนให้อีกสคนปฏิบัติตามในทันทีต่างกระจายกันออกเป็นแถวเรียงหน้ากระดานปืนทุกกระบอกจ้องลำกล้องขึ้นไปยังส่วนยอดเนินด้านหลังของอีกสามคนที่พากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตลงมาชั่วไม่ถึงอึดใจเงาสีขาวสลับเทาของเจ้าสัตว์สี่เท้าฝูงหนึ่งยังคะแนปริมาณไม่ได้แน่ชัดในขณะนี้ ก็กรูพ้นยอดเนินขึ้นมาราวกับสายน้ำที่ไหลข้ามยอดอยารวดเร็วและ ว, ว่องไวปานลมพัดมันพุ่งดิ่งโกวดไล่คนทั้งสามที่กำลังกระจัดกระจายอยู่ในขณะนี้ด้วยฝีเท้าที่เหนือกว่ามนุษย์มากมายนะักระลอกแรกที่นำหน้ามาก็สิบกว่าตัวขึ้นไปกระพินไพรวันยิงยิงยังใจเย็นที่สุด เลือกยิงเฉพาะปุ่มที่กวดไล่คนเหล่านั้นไกลเข้ามามากที่สุดแล้วก็เบนสูงขึ้นไปยิงปุ่มที่วิ่งร่วมมูกันมาอย่างใกล้ชิดที่ลันนัดเสียงกระสุนลูกสองแบบลูกปราย9เม็ดแพรขึ้นเป็นจังหวะสามตัวที่พุ่งเป็นลูกธนูโ ด, ด้เข้านักด้านหลังของจันอย่างวุฒิวิจุนเจนและเบนผงาไปในพริบตอนั้นสองตัวชักดิ้นชักพออย่างทุรนทุราย แล้วร่วงลงมาตามทางล่ะตัวร้องลั่นวิ่งขาขย ե ด ป, ปัดเปรพละไปทางหนึ่งจากเสียงระเบิดนักปฐมมเรกของระพินนั่นเองทำให้ไร้พ้นอีก4ีกระบอกเริ่มกำปันหน้าตามขึ้นบ้างยังหูดัตับไม่เป้าหมายก็คือสัตว์มหานรกที่พรูกันไล่หลังคนเหล่านั้นมาชนิดเอาเป็นเอาตายตัวที่สสและห้า กระเด็นกระดอนไปในพริบตาทุกครั้งที่ปืนจากเบื้องล่างแผลสนันขึ้นบางตัวฟุกไปในทันทีและบางตัวก็หมุนบนอยู่ก็ที่ก่อนที่จะฟังเขี้ยวลงไปบนแผ่นหลังของเหยือ่ออันกําลังโกยแนบนักกระสุนลูก ป, ปร้ายจากระพินได้ผลมากที่สุดเพราะทุกนัดไม่เคยพาดเลยและไม่น้อยกว่าสองตัวที่จับมือมานใกล้ใกลกันจะต้องม้วนใก้หงิกงอไปในทันที เขายิงพลางบรรจุกระสุนเพิ่มเต้มก็ไปในหลอดนมกซินพลางในระหว่างที่ไรเฟิลอีกสีกระบอกก็ดังประสานกันจนหูดักตาไหมชุดแรกที่ไล่หลับเนินขึ้นมาก็ลัดดาวดิ้นไปหมดกระเซ็นเลือดของมันแดงฉานแตมกระจายไปทุกย่อมยกอันเป็นทางล่าชันลงมานั้นตัวสุดท้ายวิ่งหางจุกก้นใบหน้าหัขึ้นเนินไปอย่างรวดเร็ว ดารินกว่า 0.300 เวทเมตรของหลอนตาแล้วยิงตัดหน้าพอขาดเสียงกานฟ้าผ่าจ้าางพูนราวกับหมาจริงจอกไปสูงใหญ่ขนาดเท่าลูกม้าสีเทาตัวนั้นก็พังงะลอยขึ้นท้งตัวทิ้งกายลงกระทบพื้นยากแล้วทันไหลลื่นลงมาเอาตีนทั้งสีตะกายหน้าอากาศปากของมันยังกัดดินตรงหน้าไปปากกระจุยขึ้นไป สงวนลูกไรเฟินไว้อย่าพยายามยิงโดยไม่จำเป็นเชื่อถาตะโกนลัน่นพิงจุด 4, 6, สี่หกสูของตอนเองลองกับพื้นแล้วพุ่งไปที่ขยินผู้วิ่งหน้าตาไม่เป็นคนลงมาถึงกระชากลูกซองเรมิงตันแบบปั๊มมาถือไว้ในขณะที่ราพินร้องสั่งเป็นภาษาเกรียงให้ทังจันและขยินเร่งเพนขึ้นไปบริเวณส่วนโคของเนินพระจันดารินกมารีวิ่งตรงเข้าไปประคองเสย ผู้ลงมาถึงพื้นต่ำสุดของบริเวณนั้นด้วยอาการกริ้งเหมือนลูกขนุนกระชากให้ลุกขึ้นยืนเสยเลือดโชดไปทั้งตัวอาการสะบักสะบอมกว่าทุกคนรู้สึกว่าจะโดนขยํำไปทั้งตัวพูดอะไรยังไม่รู้เรื่องในขณะ น, นี้ถูกดาริลลาตัวให้ไตเนินหนีตามหลังจันกับขยินปลาขึ้นไปก่อนคงที่ไงมาเรียปกักหลักเตรียมรับหน้าอยู่ที่เดิมชายยันนั้นวิ่งไตเนินซี่ตรงข้าม ลงขึ้นไปเก็บไรเฟิลของเซยที่ทำตกไว้ครึ่งทางซึ่งบัดนี้ระลอกที่สองของฝูงมานรกก็ประดังพรั้งพลูลับเนินลงมาอีกอย่างบ้าครั้งมอบลงคุณชายยันมอบลงระพินตะโกนเสียงหลงเมื่อชายยันยงงย่อยงยกจะลุกขึ้นและภายหลังบางทางปืนของเขาพอดีอดีนตนายทหารปืนใหญ่ก็ฉับไว้ทันก่อเหตุการณ์ดีเหมือนกันเขาทิ้งกายลงราบกับพื้น กอไรฟนที่เก็บขึ้นมาได้แล้วลิ้งตัวเองลุลุ้ลงมาตามพื้นหญ้าอ่อนนุ่มเทลาดนั้นเปิดโอกาสให้กระสุนลูกซองของรพินกัเชิฐถาซึ่งฉวยมาได้จากขยินในขณะ น, นี้สาดโปยปลายเป็นม่านขึ้นไปนโดนเข้าทั้งลุ่มที่โผล่ประดาหน้าลับเนินขึ้นมานั้นร้องออกมาเป็นเสียงสุ น, นักให้ได้ยินเป็นครั้งแรกแต่กระจายออกไปทั้งฝูงพอล้หน้าจะลงเนินมาอีก ก็โดนเขาอีกจากกระสุนลูกรายทั้งสองกระบอกที่ดินกีที่เพียงแต่บาดเจ็บก็วิ่งแปรฝูงไม่รู้ทิศทางแานใหญ่กระเช็ดตัดยิงสกัดไวในระยะประมาณ60เมตรอย่างหนาแน่นชั่ววินาทีต่อมาเจ้าหมาผีปูงนั้นซึ่งไม่อาจทะเลจำานวนของมันได้เพราะเนินที่ทาก็วิ่งแต่กระจายรับสันเนิน เปิดแนบไปหมดไม่มีตัวใดกล้าโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเลยได้ยินแต่เสียงเห่าหอนคู่คำรามของมันดังอยู่ใต้เนินฟ้าตรงข้ามเหมือนจะชุมนุมพลรอาการตัดสินใจอยู่ที่นั่นถอยเข้าที่มั่น ก, ก่อนเถอะครับระพินร้องบอกนายจ้างของเขาขณะที่กังปืนน่น ตาจ้องขม็งไปยังยอดเนินอันเป็นด้านที่ไอ้มารนรกกวดไล่คนทั้งสามของเขาลงมาเชษฐาชยันและมาเรียาพระถอยอย่างคอยระวังคุมเชิงขึ้นไปก่อนและจากนั้นเขาก็ออกวิ่งตามขึ้นไปสมทบโดยมีดารินกับจันซึ่งขึ้นไปถึงส่วนโคกสูงของเนินพระจันแล้วยืนสังเกตการเตรียมระวังพร้อมที่จะช่วยยิงลงมาจากอีกมุมหนึ่งเมื่อทุกคนถอยขึ้นมารวมกันพร้อมบนเนินพระจัน ซึ่งมีระดับสูงกว่าก็มองเห็นบริเวณยอดเนินตรงข้ามเต็มพืชไปหมดจากฝูงหมาหิวบ้าเลือดพวกนั้นเท่าที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบตัวไอ้ที่บังอยู่ใต้เนินลงไปอีกยังมีอีกเท่าไรไม่ทราบได้บัดนี้มันวิ่งพลานกระจายเต็มเนินหัวสุนเอาจมูกดมดินไปทั่วแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะพากันเคลื่อนลงมาบางครั้งก็กัดกันเองยุ่งเหยิงไปหมด เสียงเห่าและหอนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเริ่มจะแซ่สนันขึ้นและดังรับกันเป็นช่วงช่วงจนดูราวกับว่าทุ่งหญ้าทุกขนทุกแหงภายใต้หุบเนินอันเป็นเหลี่ยมกำบังตาอยู่ในขณะนี้จะเต็มไปด้วยพวกมันทุกตารางนิ้วแง้ท า, ายยังไม่ผูงเงามาให้เห็นชะตากรรมของบุญคำเกิดและสางตาก็ยังไม่อาจทานายได้ ทั้งหมดพากันยืนถือปืนจ้องข้ามฟากไปยังเนินลูกนั้นด้วยอาการตะลึงงันตัดสินใจยังไงบอกไม่ถูกอีกครั้งยกเว้นเสยผู้ครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนพื้นหญ้าสูดปาครางงิง้ ง, งและกำลังสารวนตรวจดูบาดแผลของตนเองระคนไปกระเสียงสาบแช่งสบทสบานสถานาการณ์อันคับขันในแบบที่คาดคิดไม่ถึง ดูเหมือนจะทำให้ทุกคนมึนงงอับจนต่อปัญญาไปหมดนี่จะทำยังไงดีนี่ถ้ามันรวมฝูงบุกตามเราขึ้นมาบนนี้นอกจากจะยิงไม่ทันแล้วลูกปืนเราก็ยังมีอยู่จากัดไม่พอกับไอ้หมานรกเป็นกองทัพนี่นะเช่ดขาหลุด ป, ปากออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองไงสายไปอยู่ซะที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยดารินพูดออกมาเหมือนจะรอ้องไห้เมื่อนั้นเอง ระพินไพรวันจึงไหวตัวไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นจํานวนส่วนน้อยของมันเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องมีมากกว่านี้อีกหลายเท่าก็คือกองทัพของมันที่ทำให้กวางเป็นพันพันตัวแต่ตื่นอย่างที่เห็นทางด้านเหนือเมื่อครู่ใหญ่นี่สงสัยว่าจะเคลื่อนฝูงมาจากที่ใดที่หนึง่งที่นี่คงจะไม่ใช่ถิ่นดั้งเดิมของมันแน่นอนโชคเราไม่ดีนักที่มาถึงที่นี่ เป็นจังหวะเดียวกับที่ไอ้หมาผีฝูงใหญ่นี่เคลื่อนหาเหยื่อมาถึงพอดีอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงก่อนเลยครับหาทางปลอดภัยพวกเราเฉพาะแปดคนนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันจบคําพูดเขาก็หมุนตัว พ, พลุนพลันลักไปโดยเร็วก่อนที่เชิดาหรือใครจะทันพูดอะไรด้วยกันทุกคนเห็นพรานใหญ่โบกมือเรียกขยิงกระจันให้ตามขึ้นไปด้วยทั้งสามคนวิ่งลงไปในร่องเนินอันเป็นตําแหน่งซึ่งวางแคมไว้ในระหว่างที่เชฐิฐา ชายยันดารินและมาเรียยังยืนคุมเชิงสังเกตการอย่างไม่ไว้ใจไปยังเนินฝั่งตรงข้ามอันเป็นที่ชุมนุมของฝูงหมาป่าตัวเคืองเครืองลักษณะประหลาดเหล่านั้นโดยที่ยังไม่อาจตัดสินใจอย่างใดได้ครูใหญ่ต่อมาจอมพรานกับคนของเขากก็โผล่กลับขึ้นมาอย่างรีบร้อนมีขหญิงกระจันช่วยกันหิ้วหีบไดโนมายมาด้วยพอมองเห็นฝ่ายที่รอยอยู่ก่อนแล้วก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเข้าใจได้ทันที ผู้กองเอาแบบนี้เลยเหรอชัยันร้องลั่นขึ้นสีหน้าแสดงความยินดีครับไม่มีทางอื่นยังจะเลือกอีกแล้วลครับไอจะรอคอยแงซายอยู่มันก็ไม่ทันการซชแล้วละ่ะสมมติว่าทํามันบุกตามขึ้นมาอีกก็สุนปืนทุกกระบอกเรามีไม่พอสำหรับการทาสงครามกับไอหมานรกฝุงนี้หรอกครับนอกจากสำหรับหาอาหารยังชีพเท่านั้นทานใหญ่ตอบหอ บ, หอบ เอาหลังแขนป้ายเงือบนหน้าผากสลัดทิ้งและ ว, วงการให้จันเปิดถีบเดนไามา้ออกชายันก็ทลาลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหีบนั้นงัดขึ้นมาถือเดาะ อ, อยู่ในมือสองลูกผมยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะใช้อย่างไงชายันพูดเร็วเราไม่มีแรงส่งจากลูกธนูให้นำระเบิดไปถึงพวกมันได้อาจจะใช้วิธีวางสายธนนเพื่อกดสวิตให้ระเบิดเราก็จะต้องมีเวลามากกว่านี้นะ แล้อย่างหนึง่งระเบิดแต่ละลูกก็คงจะฆ่าพวกมันได้ไม่มากนะักเพราะมันกระจายกันอยู่เพ่นพ่านไปหมดแบบนี้คุณชยันครับเราไม่ได้หวังจะใช้ระเบิดเพื่อฆ่าพวกมันส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับแต่จะอาศัยอํานาจระเบิดและเสียงเป็นการขับไล่ยับยั้งมันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องส่งระเบิดไปไกลหรือวางสายชนวนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะใช้วิธีง่ายๆพอให้พ้นหน้าไประยะหนึ่งก่อน ขณะนี้พวกเราอยู่บนที่สูงถ้ามันจะตามขึ้นมาโจมตีก็จะต้องไต่ทางสูงชันวิ่งขึ้นมาเราจะจุดระเบิดด้วยมือครับแล้วจะเหวี่ยงคว้างลงไปพอ ม, มันตูมขึ้นสักลูกเดียวก็เชื่อว่าไอ้พวกนี้คงจะแตกหนีไปหมดไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกผมว่าเสียงระเบิดจะยับยั้งขับไล่มันได้ดีกว่าเสียงปืนหลายสิบเท่าไม่จําเป็นจะต้องให้มันตายหรอกครับเอาแค่ตกใจเท่านั้นแหละดีมากกระพิน นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วผมเองก็มัวแต่ตกใจจนคิดอะไรไม่ออกไปหมดลืมนึกถึงระเบิดของเราที่ยังอยู่ทั้งหีปมัวแต่ไปฝากความหวังว่ากะแงซายคนเดียวเท่านั้นท่านหัวหน้าคณะก้าวพรวดเข้ามาพูดขึ้นทางจับแขนน้องสาวไว้น้อยจัดการดูบาดแผลของเสยกระชัยันให้เรียบร้อยก่อนเถอะนะอย่าปล่อยไว้นานพี่ไม่แน่ใจนะว่าไอหมาพวกนี้จะมีเชื้ออะไรอยู่ในน้ำลายมันด้วยหรือเปล่าตามปกติแล้วหมาปา่าแทบทุกชนิด มีเชื้อโรคบ้าเดียวกันทั้งนั้นแหละทางนี้ไม่ต้องห่วงนะพี่กระพินจะรับหน้ามันไว้เองจัดการเรื่องแผลกันซะ ก, ก่อนเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันดารินพยักหน้ารับคําโดยเร็วหันไปชวนมาเรียให้ช่วยมาเป็นลูกมือด้วยแล้วบอกชยันกระเซยให้กลับเข้าไปยังบริเวณแคมป์ที่พักซึ่งเครื่องเวชภัณฑ์อยู่ที่นั่นบนขอบเนินจึงเหลืออยู่แต่เพียงกระพินเชษฐาขยินและจันสี่คนทําหน้าที่ระวังอยู่ตามแผนซึ่งพลานใหญ่บอกไว้ให้ทราบ ถ้ามันไม่กรูตามขึ้นมาอีกก็แล้วไปแต่ถ้ามันบ้าเลือดดมกลิ่นตามเข้ามาก็จะต้องไต่ขึ้นมาตามพื้นอันลาดชันนั้นระเบิดจุดสายชนวนก็จะถูกเวียงลงไปรับหน้าไว้ทันทียังไม่มีทีท่าว่าไอหมานรกเหล่านั้นจะเคลื่อนพลจากเนินที่มันเพ่นพ่านอยู่มายังเนินลูกนี้นอกจากจะชุมนุมเห่าหอนกันอยู่ตามฝั่งตรงข้ามเช่นนั้น อาจมีบ้างสักเจ็ดแปตัวที่วิ่งลงมาดมกลิ่นตามซากศพของพวกมันที่ถูกยิงเกลื่อนจมกองเลือดอยู่บนพื้นยญ้าแต่ก็ไม่ได้ล่วงล้ำลงมาจนถึงตีนเนินทั้งสี่คนลงนั่งเฝ้ามองมันอยู่เช่นนั้นระยะระหว่างยอดเนินต่อเนินห่างกันประมาณ400 m. เมตรเชษฐาใช้กล้องซองตรวจ ด, ดูอยู่ทุกระยะเขาสามารถเห็นลักษณะรูปร่างและหน้าตาตลอดจนขนาดของมันอย่างชัดเจน โดยเลนของกล้องส่องทางไกลเวรที่จริงๆนะเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะว่าเราจะมีเรื่องขับขันอะไรเกิดขึ้นอีกเมื่อเหยียบขึ้นเนินพระจันทร์ได้สำเร็จแต่แล้วก็เกิดขึ้นจนได้เหมือนพระเจ้าจะส่งอุปรสรรคเข้ามาขัดขวางเล่นงานเราจนวินาทีสุดท้ายอยู่ทีเดียวสถานการณ์ของเราคราวนี้นะมันคล้ายๆเมื่อตอนถูกโขลงให้แหวงล้อมเล่นงานอย่างนั้นเลเฉษดาบ่นพึมพำพร้อมกับจุ๊ปากเบา แล้ส่งกล้องไปให้พรานใหญ่ถามต่อมาว่านี่ระพินคุณดูให้ดีสิคุณว่ามันหมาพันอะไรกันแน่ความจริงแต่ละตัวของมันก็ดูไม่มีความหมายอะไรเลยนะแต่พอรวมฝูงกันจํานวนมากๆนี่หูมันก็กลายเป็นกองทับมริตยูทีเดียวแหละเนี่ยพรานใหญ่ยิ้มเลี่ยนเลี้ยนบนหน้าผากแต่ม็มได้ริ้วรอยครับผมก็คิดอย่างคุณชายเหมือนกันครับคือเข้าใจว่าเส้นทางช่วงสุดท้ายของเราหนี่ ปลอดโรงดีที่สุดแล้วไม่มีเข่าวเงืนให้ทราบล่วงหน้าเลยว่าจะมีอุปสรรคหนักใจอะไรมาแทรกอีกนึกว่าต่อไปนี้เราคงจะต่อสู้กับภัยธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นแต่แล้วก็มาเจอดีเขาอีกจนได้มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญประจวบเหมาะเป็นอุบัติเหตุนะผมว่ามันเป็นหมาป่าธรรมดานี่เองครับแต่พื้นภูมิประเทศทําให้มันมีขนาดใหญ่กว่าพวกหมาป่าที่เราเคยพบเห็นกันในป่าล่าอันเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าหลวงสำรวจ แถบนี้ทั้งหลายมันคงเคลื่อนข บ, บวนย้ายถิ่นหากินไปเรื่อยๆนะครับเข้าเยบป่าไหนสัตว์อื่นๆก็แหลกพินาศไปหมดเป็นถแถบๆไปเพราะปริมาณอันมากมายของมันแต่ถ้าเข้ามารวมฝูงกันมากๆประกอบกับความหิวก็้วยแล้วมันจะร้ายกาดหน้ากลัวอย่างไม่มีอะไรเทียบอย่าว่าแต่หมาพวกนี้เลยครับต่อให้หมดเล็กๆทแท้ๆถ้าย ก, กันมาเป็นกองทัพแบบเดียวกับคลื่นในมห ah าสมุทรก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งมันได้ครับ คุณว่ามันไม่ได้อยู่ในถิ่นนี้มาก่อนไม่ใช่เหรอครับผมเข้าใจเช่นนั้นครับแต่เดิมพื้นภูมิประเทศแถบนี้ดูน่าจะสงบสันติสุขที่สุดสังเกตได้จากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ประเภทกินพืชเป็นอาหารทั้งหลายที่มีอยู่ชุกชุมมากที่สุดเจ้าหมาพวกนี้หิวโหยย้ายถิ่นรวมจำนวนกันมาจากที่อื่นมุ่งผ่านมาทางนี้ประจวบเหมาะกับที่พวกเราก็มาถึงที่นี่พอดีจึงเป็นเรื่องที่ทั้งโชคดีและโชคร้ายของเราผาสมกัน เเว้นระยะหัวรอกเกรียมๆในลํำคออีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าระหว่างโชคดีกับโชคร้ายของเรานะ่ะอะไรจะมีน้ำหนักมากกว่าถ้าเป็นอย่างแรกก็แปลว่าเราหาทางหลีกหลบไม่ให้มันมารบกวนเราได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าเป็นอย่างหลังก็แปลว่าเราพินาศกันทั้งหมดบนเนินพระจันทร์ที่เรามาถึงเป็นด่านสุดท้ายนี่เองครับท่านหัวหน้าคณะถอนใจเฮือก ลงสีสะช้าๆความจริงที่นี่ก็มีสัตว์เป็นเหยื่อมันออกอุดมสมบูรณ์พอที่จะทำให้พวกมันทั้งหมดอิ่มและเลือกสนใจกับเราได้ไม่ใช่เหรอระพินครับสัตว์ที่นี่นะมากอย่างน้อยที่สุดก็มากมายกก่กองอย่างที่เราเห็นมันวิ่งกันเป็นฝูงใหญ่ๆนับพันพันตัวทางด้านเหนือนอนนะครับแต่สัตว์เหล่านั้นมันยังได้เปรียบเราในข้อที่มีสัญชาตญาณระวังภยัย แล้วก็มีความปราดเปรียวพอที่จะรู้ถึงอันตรายจะมาถึงล่วงหน้าพวกเราต่างหากสิครับที่ชื่องชากว่าสัตว์พวกนั้นมากกว่าจะรู้ก็สายซะแล้วผมไม่คิดนะครับว่ามันมีเจตนาที่มุ่งเล่นงานเราโดยตรงความจริงอะมันจงใจจะล่าสัตว์พวกนั้นแต่บังเอิญเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางของมันเข้าด้วยไม่ต้องมากหรอกครับเพียงแค่จํานวนหนึ่งในสิบของพวกมันทั้งหมดเบนความสนใจมาที่เราเท่านั้นแหละมันก็แย่แล้ว ที่ปะทะเราเป็นระลอกแรกซึ่งเห็นอยู่นั่นเป็นแต่เพียงจํานวนปลีกย่อยที่สุดของมันเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ของมันนะคงยังตามมาไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่มุ่งตามรอยฝูงสัตว์เหล่านั้นไปก็ถือว่าสวรรค์ช่วยเราละแต่ถ้ามันเห็นว่าเราเป็นเหยื่อที่ใกล้ตัวที่สุดควรจะหันมาสนใจก่อนก็เป็นเรื่องที่ต้องขึ้นกับโชคชะตาคงได้มีการวัดดวงอีกครั้งนะแต่ผมก็ยังเชื่อมันอยู่เสมอนะครับว่าระเบิดที่เรามีติดตัวมาด้วย คงจะขับไล่มันให้เบนไปจากพวกเราได้ถ้าเลือกใช้ให้ถูกหลักแล้วถ้ามีโอกาสกระเตรียมวางแผนได้ทันนี่คุณถามจริงคถอคุณกับแง่ทรายนะพอจะรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอผมก็เพียงแต่ระแวงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ล่วงหน้านานนะักคือเมื่อคือนบังเอิญผมก็หลับเป็นตายอะเพิ่งจะมาสอบได้ความจากพวกพรานพื้นเมืองของผมและแงทรายว่า เมื่อคืนที่ผ่านมามีเจ้าหมาชนิดนี้มาเกะกะบ้วนเปี่ยนไล่สัตว์อยู่ในบริเวณใกล้ๆที่พักของเราตอนนั้นมันก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะรุกล้ำเข้ามาเล่นงานอะไรพวกเราเพราะจับหมูกันอยู่เพียงฝูงและไม่กี่ตัวกวางที่เกิดยิงได้เมื่อหัวรุ่งของวันนี้ก็เป็นกวางตัวที่เตลิดหนีเจ้าหมาพวกนี้เข้ามานะครับผมเพียงแต่คิดว่ามันอาจรวมฝูงกันแค่จานวนร้อยและอาจโจมตีพวกเราบ้าง ซึ่งก็พอจะประทะได้ไม่ยากนักหากไม่มากเกินไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีจํานวนมหาศาลถึงขนาดที่ทําให้กวางเป็นพันพันตัวต้องเพ่นหนีกันเป็นขบวนมืดฟ้ามัวดินอย่างที่เราเห็นนะครับแหน่ายเองผมก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สถานการณ์แท้จริงของเจ้าหมาฝูงนี้อย่างผมเหมือนกันนี่คุณผมน่ะรู้สึกผิดปกติตั้งแต่คุณสั่งให้ใชยายันเปลี่ยนปืนไรเฟิลมาเป็นลูกซอง แล้วเงาไซก็งัดธนูระเบิดขึ้นมาแล้วล่ะแต่ไม่อยากจะถามอะไรในขนาดนั้นคุณชายครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดอำพรางอะไรทั้งสิ้นเพราะคาดไปไม่ถึงว่ามันจะมีจํานวนมากถึงขนาดนี้ก็ อ, อย่างที่เรียนแล้วนะ่ะนึกว่าอย่างมากก็คองเราสองสามร้อยตัวและที่ให้คุณชัยยันเปลี่ยนมาถือปืนลูกซองก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณชัยยันเองที่แยกไปอีกพวกหนึง่ง ถ้าจำเป็นปะหน้ากับมันเข้าก็จะได้ปะทะได้ทันการดีกว่าใช้ไรเฟิลซึ่งลูกโตเกินความจําเป็นและกระสุนก็มีน้อยถึงอย่างไรผมก็ต้องคํำนึงถึงความปลอดภัยของคุณชยันกเมมากกว่าคนของผมเองในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ร่วมทางกับฝ่ายคุณชยันด้วยแม้ไงซายเองผมก็ยังไม่อยากจะไว้ใจมนะันนักเห็นไหมครับผลสุดท้ายคุณชายันกเมลําพังสองคนที่ตกที่นั่งลําบาก ถูกไอหมาปู่งนั่นเล่นงานเจ้าแง่สายแย่ไอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมละอุ่นใจในความรอบครอบของคุณในข้อนี้ตลอดมานะรพินและไม่เคยคิดว่าจะไว้วางใจแง่สายเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไปกว่าคุณเลยสักครั้งเดียวเจ้านั่นนะ่ะมันอาจจะมีความรักและเป็นห่วงต่อพวกเราทุกคนเสมอข้อนี้นะผมเชื่อแต่มันก็ไม่ได้รัด ก, กุมไปกว่าคุณหรอกแล้วนี่คุณไม่รู้หรอกเหรอว่ามันไปอยู่ไหน มันก็คงขึ้นไปบนเขาตรวจดูลูกทางอะไรของมันไปตามเรื่องนะครับจุดหมายสำคัญของมันก็ใกล้เข้ามาแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดไอ้ความที่มันมัวห่วงกังวลว่าจะหาทางตัดเทือกพระศิวะไม่สำเร็จก็ทำให้มันลืมนึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคุณชัยยันและเมสเชื่วขนาดถึงก็ออกลูกไม้แยกตัวไปหรือมิฉะนั้นก็เกิดจากความชล่าใจคาดไม่ถึงในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผมเองก็อุ่นใจแล้วที่เห็นว่ามันสะพายธนูระเบิดไปด้วยหน่อยหนะ่ะกลับแยกกับคุณชัยยันไปซะอีกนี่ความจริงป่านนี้มันก็น่าจะได้ยินเสียงปืนและควรจะบ่ายหน้ากลับมาแล้วนะผมนึกไม่ออกนะว่ามันไปซุกหัวหลบอยู่ซะที่ไหนผมก็ไม่ได้เป็นห่วงมันนักหรอกรู้อยู่แล้วว่ายังไงซะมันก็เอาตัวรอดได้เสมอเป็นห่วงก็แต่บุญคาเกิดแล้วก็สามตาที่แยกไปทางตะวันออกเท่านั้นแหละ แต่นี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะยังไม่มีเสียงปืนดังมาจากด้านนั้นก็แปลว่าพวกนั้นคงยังไม่พบเจ้าหมาพวกนี้่ครับแต่ก็ไม่แน่นะครับขากลับอาจเจอก็ได้เพราะตอนนี้นะ่ะมันกระจายอยู่เต็มเนินจันไปหมดแล้วเชษฐายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอย่างกระสับกระส่ายเอ๊ทายังไงดีล่ะเนี่ยด้านเราก็ถูกมันคุมเชิงจนต้องคอยระวังตัวแจกันอยู่แบบนี้ ฝ่ายของบุญคำกับแงซายก็ยังไม่โผล่กลับมาถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิตกันขึ้นพวกเราทั้งหมดจะเสียขวัญกันแย่ทีเดียวผมว่าเราใช้เสียงระเบิดไล่ฝูงมันไต่กระจายออกไปก่อนไม่ดีกว่าแล้วคุณลองจุดโยนไปสักตูมอะบ้างทีมันอาจช่วยพวกเราคนอื่นๆที่ยังไม่กลับมานะปลอดภัยขึ้นบ้างก็ได้นะอย่าเพิ่งนะครับคุณชาย ผมต้องการประหยัดระเบิดของเราไว้ให้มากที่สุดครับไอ้จุดระเบิดตอนนี้ก็คงไม่ได้ผลอะไรนักหรอกเพราะพวกมันก็อยู่ห่างจากเรามากถึงจุดโยนลงไปมันก็ระเบิดไปกับความว่างเปล่าข้างล่างนั่นซึ่งไม่มีพวกมันอยู่เลยสักตัวเดียวเอาเป็นว่าเราฟังเหตุการณ์ก่อนดีกว่าครับนี่ลองถามรายละเอียดจากคนของคุณดูหนิไปเจอกันเขาได้ตอนไหนถึงได้ถูกมันไล่กวดหลังมาแบบนี้ เทถาพยักหน้าไปทางจันกับขยินซึ่งนั่งชันเข่าอยู่ไม่ห่างไปนะักหน้ายัางสีดผือด้วยกันทั้งคู่พรานใหญ่หันไปส่งภาษาถามเจ้าขยินบอกลิ้นรัวมาด้วยเสียงบงเบงเอ็ดอึงไปทำไม้ทำมือประกอบเป็นครูใหญ่จอมพรานจึงหันมาถ่ายทอดเรื่องราวให้นายจ้างเขาทราบพวกนี้บอกว่าเจอในเที่ยวขากลับทางตะวันตกเฉียงเหนือครับหลังเขาสิวเทศมาและ ขยินกระจันบอกว่าความจริงก็พบมันปรัปรายบ้างแล้วในระยะที่มุ่งหน้าตรวจหารอยคุณชายอนุชาไปพวกมันโผล่ดูอยู่ตามยอดเนินต่างๆแต่จํานวนไม่มากมนักครั้งแรกก็ยังไม่เฉลียวคิดอะไรมาผิดสังเกตเมื่อเห็นพวกมันโผล่ให้เห็นใกล้เข้ามาทุกทีกว่าจะรู้ตัวมันก็ตีวงล้อมเข้ามาแล้วเกือบรอบตัวทุกทิศระหว่างที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำขยินก็เลยชวนกลับ พอหันหลังเท่านั้นแหละครับมันก็พุ่งเข้าใส่เลยครั้งแรกก็ไม่เกินสิบตัวก่อนพวกนี้ก็ใช้ดาบฟันกราดปะทะไว้พอข่ามันหมดฝูงแรกเท่านั้นฝูงที่สองฝูงที่สามก็โผล่ไม่เห็นอีกก็เลยต้องยิงแล้วก็วิ่งกระเจิงกันมาเสยน่ะโดนเขาหนักกว่าทุกคนมันบอกว่าทำไม่ได้พวกเราช่วยยิงสกัดไว้ตอนที่วิ่งหนีลงเนินมาคงตายหมดละทั้งสามคนเพราะรับมือไม่ไหว ไม่พบรอยคนหายบ้างหรือเปล่าไม่พบครับในายใหญ่พบแต่กองกระดูกสัตว์ที่ไอหมาพวกนั้นกัดกินไว้สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเศษกระดูกใหญ่ที่มันแทะไม่ได้แล้วกระดูกอ่อนๆนั้นมันกินจนแทะไม่เหลือจันเป็นคนตอบเชษฐาเงียบงันแววตาซึมหมนลงอย่างผิดหวังขณะนั้นหมอดารินมาเรียชยันและเซย ก็พากันลูร่างกลับขึ้นมาสมทบทั้งชัยันและเสยได้รับการทำบาดแผลและเยียวยาเรียบร้อยแล้วภายหลังจากสอบถามอาการทั้งเชษฐาและรพินก็ค่อยปลอดปร่งใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อทราบจากแพทย์ประจำคณะว่าเจ้าเด็กหนุ่มเสยซึ่งมีอาการเห็นแต่แรกว่าค่อนข้างหน้าวิตกนั้นไม่มีอะไรอยู่ในขั้นสาหัสนอกจากบาดแผลจากเขี้ยวเนื้อฉีกไปสองสามแห่งแถวขาอ่อนและตโขก ซึ่งหมอดารินก็ทำแผลและฉีดยาให้แล้วเชื่อท้าเดินเข้ามาตบไหล่พรานหนุ่มของรพินยิ้มให้เป็นไงบ้างเซยยัยงไหวไหมไหวครับนายใหญ่เสยไม่เป็นอะไรมากครับลุมกลิ้งลง ม, มาจุกเท่านั้นเองเซยก็เป็นห่วงตบลุงคําเกิดแล้วก็สางตาไม่รู้เป็นยังไงบ้างทุกคนเงียบขึมกันไปอีกจากคำพูดของเสยบัตรนั้นเอง พาวังก็ถูกปลุกขึ้นด้วยความฝันหายชา ย, ยันผู้ผวงงคลุ่นคิดอยู่แล้วถึงกระร้องออกมาโดยไม่รู้สึกตัวมันเป็นเสียงปืนที่ทุกคนภาวนาขออยากให้มันดังขึ้นเลยเพราะมันย่อมบอกให้ทราบว่าได้เกิดอะไรขึ้นอย่างที่ได้หวาดระแวงแล้วกระบ ก, ก ด, ดังขึ้นจริงๆเสียงดังเป็นเข้าตอกแตกจากไรเฟสองกระบอกซึ่งบอกได้ทันทีว่ากระบอกหนึ่งเป็นจุด37หของบุญคัน อย่อีกระบอกหนึ่งคือ 30.06 ของเกิดสำหรับสางปาใครก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าท่าตองสูของมาเรียไม่มีปืนประจำตัวติวตดอยู่เลยนอกจากปืนชั้นของแม่มสาวซึ่งมอบให้มันสะพายคล้องติดตัวไว้แต่คงไรประโยชน์เพราะสางปาไม่สันทัดในแม่มของมันมอบไว้ให้เพื่อสำหรับให้เป็นเพื่อนปลอบขวัญด้วยยิงเรียส่งสัญญาณกระพักพวกยานจาเป็นเท่านั้นทุกคนไหวตัวพรึบ หันรีหันขวางชนกันอย่างทำอะไรไม่ถูกเสียง ป, ปืนอันแสดงถึงการระดมยิงอย่างผียิปนั้นบอกให้ทราบชัดเป็นอย่างดีว่ายิงเพื่อป้องกันชีวิตตนเองถ้ายิงเร็วได้เท่าไรก็เหมือนจะยืดชีวิตตนให้ยาวออกไปได้เท่านั้นมันดังอยู่ห่างเกินไปกว่าที่ทุกคนทางฝ่ายนี้จะยกกำลังไปสมทบช่วยเหลือได้ทันแน่รพินไทยวันยืนตัวแข็งเหมือนถูกสาบให้เป็นหิน ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยชีวิตบุญคำพรานเท่าผู้ใจของเขากับเกิดและสางตาได้เสร็จแล้วนั่นคือความรู้สึกอันหนาวเหน็บที่เล่นเขาจับกลางขั่วหัวใจประสาททุกส่วนชาดิกแล้วก็มีเสียงแหลมกรีดร้องของมาเรียดังก้องขึ้นสางตาโอโกและอย่างผลุนผลันจนไม่มีใครดูทัน มารยพระออกวิ่งเต็มฝีเท้าพุ่งตัดเนินใบหน้าไปทางตะวันออกอันเป็นที่มาของเสียงปืนชายนโรห้ามเสียงหลงออกกระจนคว้าตัวแต่เขาก็ยังช้ากว่าเมียมแมมผู้ซึ่งรวดเร็วปานางแมวตาอยู่ดีจึงออกวิ่งตามหนังพรนทั้งตะโกนเรียกให้หยุดอยู่เช่นนั้นเชฐาดารินตะลึงพึงพรไปชั่วพริตานั้นพอได้สติเช่าก็ร้องขึ้นระพินเร็วหยุดแมวให้ได ช ย, ยันกลัวตามไม่ทันแน่ขากําลังเจ็บทานใหญ่เองก็เพิ่งจะได้สติรีบวางไรเฟินลงแล้ววิ่งไล่หลังไปอีกคนนึง แ, งแซงแม่ช ย, ยันผู้วิ่งขากระเพกร้องโวกเวกเรียกเมียอยู่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าและความคล่องตัวที่เหนือกว่าเข้ามาทันมาเรียกก่อนที่หล่อนจะทลาลงมาจากส่วนลาดของเนินคว้าคอเสื้อด้านหลังไว้ได้รั้งตัวให้หยุดแม่สาวสะบัดดิ้นรนสุดฤทธิอมกับร้องลัน่นเลยเป็นภาษา รักคนไปกับพฤษสวาสดาทอย่ังลืมตัวเมื่อถูกขัดขวางปล่อยฉันปล่อยฉันจะไปช่วยสางตาพอดีกระชัยยันวิ่งตามมาทันตรงเขารวบตัวก็อีกคนหนึ่งอย่างกระหืนกระหอบหยุดเมยใช้สมองของุ้นซะบ้างดิไม่มีใครช่วยสางตาหรือพวกนั้นได้ในขณะนี้ทั้งสิน้นขืนไปก็เหลือแต่กระโดกกีคนเท่านั้นเองชัยยันเขย่าตัวตะกนร้องกรอขู่เมียแมนของเขา มาเรียนหน้าตาแทบจะไม่เป็นคนซะแล้วในขนาดนั้นหล่อนยังไม่หยุดดิ้นรนเพื่อที่จะพละไปยังบ้าบินด้วยความเป็นห่วงเจ้าท่าตองสูของหล่อนแผเสียงร้องอยู่กรี๊ดกรี๊ดขี้คลาดขี้คลาดทั้งสองค น, นหละใครตัวตายก็อยู่บนนี้เลยแต่มาห้ามฉันไม่ได้ห้ามฉันทำไมหล่อนไร้สติไปซะแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะไม่ว่าชยันจะร้องบอกให้ทราบเหตุผลเช่นไร คงยืยุดปลุกปล่อมกันอยู่เช่นนั้นเสียงปืนอันแสดงถึงการยิงต่อสู้อย่างขนานใหญ่ของกลุ่มบุญคํายังคงดังติดต่อกันสนั่นวันไหวอยู่ไม่ขาดระยะเสียงมันเหมือนจะยิ่งทําให้มาเรียเล่ารอนยิ่งขึ้นชายันเห็นว่าจะยับยั้งไว้ไม่ได้แน่นอนและเช่นนั้นจึงชกมัดขวาบาะบอกเขาที่ปลายคางเป็นการตัดสินปัญหาร่างของมาเรียที่กําลังดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดฤทธ สิงสุดหววลงไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาก่อนจะถึงพื้นหมดความรู้สึกไปรบพินผู้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆด้วยมองเห็นเหตุการณ์ถนัดคุณชัยยันช่วยไม่ได้ผู้กองผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ดีกว่าจะให้เมยยิงเราสองคนซะก่อนแล้วก็วิ่งลงไปเป็นเหยื่อไอหมานรกพวกนั้นพราะความบ้าคลั่งของเขาพร้อมกับผู้ชายยันค่อยๆประคองเมียแมนของเขา ผู้ยังหมดสติเพระถูกนกลงกับพื้นแยกผ้าศีสษะว้กับตันขนะนั้นเองทุกคนก็หยุดลมหายใจกันไปชั่วขนาเมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินสถานไหวเหือกพร้อมกำปนาคืนรนานวกับเสียงระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินโจมตีอนุภาพแห่งความสัส่นสะเทืนของมาัาแร่ระดับ เมื่อสิงรอดให้สงบนิ่งเป็นดุษณีเชิฐากับดาริมผู้กำลังวิ่งตามมาที่เหตุการณ์หยุดชะงักลงกับที่ชายันอ้าปากกว้างส่วนรพินแทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความไปติเหลือที่จะกล่าวสวรรค์ทรงโปรดเงาซไส้สามคนนั้นรอดแน่แล้วจอมพรานร้องขึ้นอย่างลืมตัว บนเนินฝั่งตรงข้ามอันเป็นที่ชุมนุมคุ้มเชิงของไอ้มานารกฝูงนั้นบัดนี้เลยเห็นชัดว่ามันแตกกระจายออกไปไม่เป็นขบวนอย่างตื่นตะนกขีดสุดพากันวิ่งหางจุกก้นเตลิดเปิดเปิงไม่เหลืออยู่บนเนินฝั่งตรงข้ามของยอดนั้นอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะอิทธิพลของเสียระเบิดปานฟ้าถล่มนั้นเสียงปืนของฝ่ายบุญคํา ที่ระดมยิงกันอึ้งอยู่ในขณะ น, นี้ก็พลอยสงบสิ้นสุดลงด้วยภายหลังที่เสียงระเบิดแซกขึ้นตบลูกนั้นไม่กี่อึดใจต่อจากนั้นเชษฐาดารินจันเซยและขยินก็กรูกันมาถึงตำแหน่งที่ชัยยันยังประคองเมียแหม่มของเขาอยู่เนื้อ้า ย, ยิงระเบิดใช่ไหมรพินเชษฐาพูดเร็วปรือ หางเสียงสั่นไว้ความยินดีครับพวกนั้นเห็นจะปลอดภัยแล้วละครับแต่งเงาสายเข้าไปช่วยพวกนั้นไว้ได้ยังไงนี่ผมยังนึกไม่ออกความจริงมันอยู่กันคนละทิศแท้ๆนะครับอย่าเพิ่งวางใจอะไรนักนะเราไม่รู้แน่นอนว่าเงยสายยิงระเบิดจากด้านไหนอาจยิงเพื่อช่วยตัวเองก็ได้แล้วมันอาจเป็นคนละด้านกับที่พวกนั้นปะทะอยู่ดารินสอดมาโดยเร็วทั้งอกสัน่นขวัญแขวนทั้งดีใจระคนกัน ผมคิดว่าเป็นด้านเดียวกันแน่นอนครับสังเกตดูเสียงปืนจากพวกนั้นก็สงบไปหมดแล้วมันน่าจะแปลว่าเจ้าหมาพวกนั้นแตกกระจายหนีออกไปหมดเมื่อแงซายยิงระเบิดส ก, กัดขนาดไอ้ฝูงที่ล้อมคุ้มเชิงเราอยู่บนเนินนั่นยังอยู่ไม่ไหวเลยแตกกระจายไปหมดแล้วโอยเป็นอย่างนั้นเถอะเจ้าประคุณเอ้ยใหญ่พวกเราคนใดคนนึงต้องได้รับอันตรายเลยแล้ว น, นี้เราจะทํำยังไงกันต่อไปละเนี่ย ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรออยู่ที่นี่แหละไปเดี๋ยวแงไซกับพวกนั้นก็กลับมาที่นี่เองละดารินกัดเชทถามองลงไปที่มาเรียผู้ยังนอนหลับตาอยู่บนตักของชา ย, ยันอ่ะนั่นเมเป็นอะไรไปล่ะนันชา ย, ยันเห็นตล่าชุดตักันอยู่ตะกี้นี้ทำไมถึงลูไม่นอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะหมอดารินถามออกมาอย่างแปลกใจสุดกายลงไปจับตัวเพื่อนสาวไว้ช ย, ยันอึกอักในลาคอ ตอนที่เขาต่อยมาเรียเชิดถากระดารินอยู่ห่างและกำลังชุลมุนจึงไม่เห็นเหตุการณ์อดีตนายทหารตันใหญ่สีหน้าไม่ดีนะักตอบอ้อมแอมฉันฉัน ฉ, ฉ, ฉ, ฉันหยุดเมยไว้เองอะก็เขาดือ้องที่จะวิ่งไปหาที่ตายให้ได้ ห, ห, ห, ห่างยังไงก็ไม่ฟังอะ่ะหยุดดารินลืมตาโตร้องเสียงหนักๆใ น, น ล, ลาคอหยุดยังไงกัน ยุดยังไงการถึงได้ไปนอนแองแมงไม่รู้สึกตัวแบบนี้ฮะชั ย, ยันไม่ตอบดารินถามมาอีกแล้วมองหนะ้าพรานใหญ่ผู้ยืนสงบนิ่งาราบินชั ย, ยันทำยังไงกันเมจอมพรานนิ่งชั ย, ยันจึงโผล่มาตามจริงว่าฉันน็อกเองละไหวเบาๆที่ปลายคางไม่เจ็บปวดอะไรนักหรอกนะอย่างมากก็แค่หลับไปสักสองสามนาทีเท่านั้น ก็ดีกว่าที่ต้องวิ่งไล่ตะครุบตัวแม่นี่กำลังบ้าระห่ำชุดไม่อยู่บ้าบ้าเทือนบ้เบเรียนที่สุดเลยนายชยันเนี่ยเพื่อนสาวของเขารองลั่นตบผวตัวลงไปบนไหล่ของนายทหารปืนใหญ่สีหน้าโกรจัดผู้หญิงทแท้ๆ แ, นะแล้วก็เมียตัวเองด้วยบ้าดัานต่อยก็ไปได้กระดดงหักมาแล้วมังโเชื่อเธอหน่าไม่เป็นไรหรอก ก็บอกแล้วไงว่าบดเบาเท่านั้นแหละก็มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนี่ว่าไม่ต่อยให้หลับไหวหรอกแม่เจ้าปืนพันกับบานชั้นกระพินน่ะตอนที่ช่วยเอมจับไว้ก็รู้กันอยู่แล้วแม่เนี่ยบดจะเลือดเข้าตาขึ้นมาใครจับอยู่เมื่อไหร่รอก็ตัวเล็กเล็กเสมอขนาดกระพินนะ่ะไม่ ย, ยังเวิง่งแล้วก็เดินนอกหลับไปชียังดีกว่าแม่วิ่งกันไปหาที่ตายเฮ้ยเหวรกรรมโหดร้ายทารุณอะไรยังงี้ก็ไม่รู้ ราชสกุลสาวบนแล้วก็ด่าชายันไม่ยั้งตรงเข้ามากระชากไหลเขาพระห่างจากแม่มสาวผู้นอนเยียดยาวหมดสติอยู่พลิกจับใบหน้าขึ้นมาตรวจคอยเบาใจที่ไม่เห็นรอยบวมช้ำหรือบาดแผลใดๆทั้งสิน้นหล่อนใช้จันวิ่งไปเอาน้ำเย็นมาชุบผ้าประคบใบหน้าเขย่าปลุกเรียกอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่ชยันเลี่ยงเข้ามาช่วยนวดเฟนทางปลายเท้า มาเรียคืนสติขึ้นมาแต่ก็ยังงงงอยู่จังจังปาสังปาเขาตายลแล้วเหรอไรโยกแรกที่หลอนครางขึ้นมาสังปลากับพวกนั้นคงไม่เป็นไรแล้วละเมยไม่หยกๆยกนี่เองเราได้ยินเสียงระเบิดเข้าใจว่าแง่ซายคงเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทันดารินปลอบโยนบอกเรื่องราวให้แม่เพื่อนสาวต่างผิวทราบ มาเรียสบัดหน้าไล่ความมึนงงอยู่สองสามครั้งแล้วลืมตาขึ้นมองดูพักพวกทุกคนที่แวดล้อมหลอนอยู่ในขณะนี้พลังยันกายขึ้นนัง่งดูเหมือนหล่อนจะไม่พอวงสนใจเลยว่าตนเองลงไปนอนหมดสติครู่หนึ่งนั้นเกิดจากอะไรเพราะใจมัวจดจ่ออยู่กับเจ้าทาดคู่ใจซึ่งอยู่ในห่วงอันตรายก็ก็เงยสายไม่ได้ไปด้านเดียวกับพวกนั้นไม่ใช่เหรอแล้วเขจะไปช่วยสางตากับพวกนั้นได้ยังไง เราก็ยังเดาอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะเมยเชษฐาเป็นคนตอบก็มีเสียงปืนจากพวกนั้นยิงประทะแล้วครู่เดียวก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นทําให้ไอหมานรกพวกนั้นนมันแตกประจายหนีเงียบหายกันไปหมดแล้วก็เข้าใจว่าแงา่ทายคงจะไปสมทบอยู่กับพวกของบุญคำแล้วก็สางปลานะ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหยกๆนี่เองก่อนที่คุณจะตื่นขึ้นมาเรากําลังรอฟังข่าวกันอยู่เนี่แหละเชื่อว่าพวกนั้นกําลังมุ่งหน้ากลับมาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็คงรู้เรื่อง ยังไม่ทันจะขาดเสียงของเชิดถาทุกคนก็หันขับไปทางปลายเนินด้านตะวันออกเพราะมีเสียงตะโกนโวกเวกแววมาก่อนอึจใจเดียวก็เห็นบุญคำเกิดและสางตาหอ่อแหนบวิ่งแข่งกันมาราวกันนะักวิ่งแข่งอาชีพเจ้าหน้าเสือสางตาวิ่งนำหน้ามาเร็วกว่าทุกคนเพราะมันตัวเปล่าไม่มีปืนติดมืออยู่ให้เป็นภาระรางทายด้วยตาเท่าบุญคาซึ่งแกกว่าเพื่อน พอมองเห็นครบจํานวนสามคนแต่ไกลทางฝ่ายที่รอคอยอยู่ด้วยความเร้าร้อนก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกทั้งสามคนคงไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงอะไรทั้งสิน้นมิฉะนั้นก็คงไม่วิ่งแข่งกันมาอย่างเร็วจีไดยอย่างนี้ไม่มีวี่แววของแง่ทายจะรวมกลุ่มเข้าขบวนมากับสามคนนั่นแต่ประกาศดัง